ภาวนากันดีๆเยอะนะนะตั้งอกตั้งใจเข า, าเราไม่ขี้เกียจค่อยๆทำไปขยันนะแต่ไม่รีบร้อนรู้สึกตัวแล้วดูไกลเขาทำงานดูใจทำงานดูมันเรื่อยไปดูมันทั้งชีวิตได้ก็ไม่เป็นไรจะได้มรรคได้ผลหรือไม่ได้ไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ได้ทำเหตุ ทำเหตุก็มีสติไว้นะรู้เท่าทันใจของเราไปได้วยกิเลสอะไรเกิดเราก็รู้ทันเอาเรารู้ทันกิเลสได้ศีลก็เกิดขึ้นเองไม่ต้องเจตนารักษาเลยแหละมันอัตโนมัติเลยแต่ถ้าสติเรายังไม่ไวเราก็ตั้งใจรักษาไว้ก่อนศีลเบื้องต้นเราตั้งใจรักษาพอชำนี้ชำนาญ สติเราดีขึ้นดีขึ้นนะศีนาตนมัตินเกิดขึ้นก็ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอาศัยสตินี่แหละจิตมันเคลื่อนไปให้รู้ทันจิตเคลื่อนไปให้รู้ทันสมาธิมันก็เกิดม่มีสตินะรู้ทันกิเลสที่เกิดกับจิตใจเราก็ได้ศีลมีสติรู้ทันจิตใจที่เคลื่อนไปจิต จ, จะตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธิ มีสติระลึรกรู้อยู่ในกายในใจเห็นกายเห็นใจทำงานเรื่อยไปในจิตตั้งมั่นไม่ถลำเข้าไปเวลาไปรู้กายก็ไม่ถลำเข้าไปในกายไปดูจิตก็ไม่ถลำเข้าไปในจิตดูสบายบายดูมันดูคนอื่นเนี่ยปัญญามันก็เกิดมันจะเห็นเลยว่าบรรดารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะเป็นของชั่วคราวเกิดมาแล้วก็หายไปหายไป เป็นของที่ถูกปีบคั้นทนอยู่กับที่ไม่ได้ถูกทำลายตัวมันเองอยู่ตลอดเป็นของบังคับไม่ได้เป็นไปนตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่เรียกว่าเจริญปัญญาอยู่ก็ปัญญาแก่รอบอริยมากก็เกิดเกิดเองนะเราไม่รีบร้อนให้เกิดนะเราคาดหวังเรารีบร้อนนะไม่เกิดหอรอกอ่าลุกดิลูกลนไป เมื่อวานได้จดหมายมาฉบับหนึ่งจากอเมริกานี่คนที่อเมริกานี่เขาบอกเขาภาวนาเขาเห็นเลยว่าสภาวะทั้งหลายนะั้มันทาลายตัวมันเองไม่ต้องไปทําลายมันหรอกอันนี้เขาเห็นอะไรอั น, นิจังทุกขังอนัตตาเห็นอะไรนะมใครตอบได้ใครว่าอ น, นิจังใครว่าทุกขงังใครว่าอนัตตา มันถูกหมดแหละเขาบอกว่าสภาวะสามอันเนี้ยมันเนื่องกันหมดเลยแต่เขาเห็นว่าสภาวะทั้งหลายนะถ้ารูปธรรมนามธรรมเนี่มันทำลายตัวมันเองตลอดเวลามันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะมันทนอยู่ไม่ได้หรอกนะตัวที่เด่นอยู่ตัวทุกข์นั่นแหละตรงที่เห็นมันทนอยู่ไม่ได้นะมีแล้วหายไปเนี่ยอนิจจังตรงที่ว่ามันเป็นไปเองไม่ได้เป็นไปตามใจอยากนี่เป็นอนัตตา นี่คนไม่ค่อยได้เจอหลวงพ่อนะปีหนึ่งเจอครั้งหนึ่งมาส่งกันบ้านที่เนี้ยส่งกันบ้านได้หน้าฟังสภาวะทั้งหลายมันทำลายตัวมันเองเขาบอกว่าความรู้นี้มันเกิดขึ้นกก่ใจเกิดเองไม่ได้คิดเลยไม่เคยคิดมาก่อนอมันเกิดความรู้ตัวนี้ขึ้นมานะคราวนี้ดูลงไปที่ไหนเนะเห็นแต่มันสลายตัวหมดเลย ดูในร่างกายก็สลายไม่มีเราดูจิตใจก็สลายไม่มีเรานี่เขาเขียนมาเล่านะยังไม่เจอตัวจริงแค่ไหนยังไม่รู้นะบางคนเล่าเก่งแต่ธรรมะก็น่าฟังเนี่ยธรรมะภาคปฏิบัตินะฟังแลแ้วแหมมันจับใจนะธรรมะที่ไปท่องจำมาฟังโอ้จุดชืดแห้งแล้ง ไม่เหมือนธรรมะเป็นความรู้ความเข้าใจมาจากการปฏิบัตินะมันสดสดใหม่ๆหมสิ่งๆนะเคยได้ยินไหมสภาวะทั้งหลายมันทำลายตัวมันเองไม่เคยได้ยินคำเดียวนะมันก็สะท้อนใจรักออกมาละแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาด้วยนะเป็นสภาวะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีแต่สภาวะก็เขียนดี ประโยคเดียวก็โอ้น่าฟังพวกเรามาหัดดูสภาวะไปในขั้นของฌานเจริญปัญญาเนี่ยดูสภาวะธรรมรูปธรรมก็ได้นามารมก็ได้เราดูแล้วจะเห็นสภาวะทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันอันเดียวกันนะเนื่องกันหมดอนะของไม่เที่ยงก็คือของมันมีแล้วมันก็ไม่มีของที่กําลังมีอยู่ก็ถูกบีบคั้นให้สลายตัวเรียกเป็นทุกข์ สิ่งทั้งหลายจะมีจะตั้งอยู่หรือจะสลายตัวไปบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเนะี่ยมันเนื่องกันหมด mm hmm. เวลาเราพูดถึงรูปนะเราพูดตัวทุกเนี่ยจะเด่นรู ป, ปรธรรมนะตัวทุกจะเด่นนมามธรรมนะอนนี้จังอนัตตาจะเด่นคนที่ทำกรรมฐานเหมาะกับการดูรูปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะสอน เรื่องอายตนะให้คนที่ทํากรรมฐานเหมาะกับการดูนามนะ<ฮ>พระพุทธเจ้าท่านจะสอนเรื่องขันธ์ห้าให้มันก็อันเดียวกันนะเป็นการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆถ้าพวกชํานาญในรูปธรรมนะท่านแยกเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปใช่ไหมมีใจเป็นนามส่วนใหญ่ที่ให้ดูเป็นตัวรูป ถ้วพวกถนัดนามจะสอนขันห้ารูปรูปเป็นตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามนธรรมมีนามมากมีรูปน้อยดูนามมากเวลาสอนไตรลักษณ์เกี่ยวกับนามนธรรมนะท่านจะสอนอนิจจังกับอนัตตานะัโดดที่โดดข้ามทุกขังไปเฉยๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าดูนามนธรรมเนี่ยตัวที่เด่นนะคืออนิจจังกับอนัตตา แต่ถ้าดูตัวรูปธรรมนะตัวที่เด่นตัวทุกขังมันถูกบีบคั้นนั่งอยู่ก็ถูกบีบคั้นทําให้นั่งต่อไปไม่ได้เดินอยู่ก็ถูกบีบคั้นทําให้เดินต่อไปไม่ได้นอนอยู่ก็ถูกบีบคั้นนอนต่อไปไม่ได้นัพริกไปพริกมาหายใจออกก็ถูกบีบคั้นต้องหายใจเข้าหายใจเข้าก็ถูกบีบคั้นต้องหายใจออกนี่มันถูกบีบคั้นตลอดเลยตัวรูปนะรูปเป็นของที่แตกสลายได้ ถูกทำลายได้ด้วยดินน้ำฝ่าลมอะไรพวกนี้นํามาทํานะมันเป็นภาพลวงตาไหวตัวขึ้นมาวับเพื่อสลายไหวตัววับเพื่อสลายเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงดูง่ายบทธรรมวเช้าหน้าฟังมากเลยเพื่อนทํสอนตั้งแต่ขันห้ามีมีบทหนึ่งนึกออกไหมสอนจําแนกขันห้าขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูป อันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านสอนบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราดูขันนี้แหละก็เห็นว่ารูปังอนิจจังเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังไม่เที่ยงรูปังอนัตตาเห็นไหมโดดข้ามจากรูปังอนิจจังโดดไปรูปังอนัตตาเลย รู ป, ปังอนัตตารูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาท่านข้ามทุกขังไปหลวงพ่อมองว่าที่ท่านข้ามเพราะว่าคำสอนเรื่องขันห้าเนี่ ย, ยเน้นกับพวกที่ควรจะดูนามนะตัวนามที่เด่นชัดคืตัวอนิจจงอนัตตานี้ในตำราไม่มีหรอกนะ น, นี่พิจารณาเอาเองในตำาราเขาจะอธิบายอีกอย่างน อธิคถาอะไรเงี้ยในอธิบย vinegar, ายในจำลองว่ า, ส, ส, ว Antrag, าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะงั้นมันเป็นอันเดียวกันก็เลยไม่เที่ยงแล้วก็เลยเป็นอนัตตาแม่อธิบายให้จบเนี่ยท่านบอกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอ น, นัตตาก็น่าจะเหลือแต่ไม่เที่ยง <c oughs> อธิบายไม่ได้อธิบายไม่จบหรอกอย่าเงี้ยถ้าเราภาวนาเราจะรู้เลยตัวร่างกายนี่นะตัวทุกข์นี่เด่นมากเลย เราก็อาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยกลบเกลื่อนความทุกข์ไม่ให้รู้สึกพอนั่งเมื่อยก็ขยับนั่งเมื่อยก็ขยับไปเลยนะนอนเมื่อยก็พลิกไปพลิกมาไม่ทันจะเห็นทุกข์เลยหายใจออกไปยังไม่ท่านจะเห็นทุกข์ก็าหายใจเข้ากลบมันไว้มันเริ่มทุกข์นิดหน่อยก็กลบมันไว้นั่นเลยสอนว่าอิริยาบถนะปิดฟังทุกข์ไว้เปลี่ยนเปลี่ยนท่าทาง หายใจออกก็เปลี่ยนเป็นหายใจเข้าหายใจเข้าเปลี่ยนเป็นหายใจออกนะยืนแล้วก็เปลี่ยนไปเดินไปนั่งไปนอนอเนี่ยเปลี่ยนทิฏยาบทปิดบังทําให้ไม่เห็นทุกข์อันนี้จังนะเราดูสติเราไม่ไหวพอเราก็นึกว่ามันคงที่อยู่อย่างเราเห็นว่าจิตมีดวงเดียวจิตวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใครเห็นอย่างนี้บ้าง จิตวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาใครเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาได้บ้างยกมือซิยกมือเห็นจิตวิ่งเพิ่บไปแล้วก็กลับมาวิ่งเพิ่บไปแล้วกลับมาเห็นถูกไหมเห็นถูกแต่ยังถูกไม่เต็มที่สันตติไม่ขาดเมื่อเลยจะเห็นว่าจิตเที่ยงอยู่ถ้าสันตติขาดเราจะเห็นว่าจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับลงที่ตาเลยถ้าเกิดจิตอีกดวงหนึ่งขึ้นที่ใจจิตที่ใจเกิดแล้วก็ดับลงที่ใจนะ จะไปเกิดจิตอีกดวงหนึ่งที่หูก็ได้ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจจิตคนละดวงกันมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนตอนนั้นคีว่าจิตตั้งอยู่ที่หน้าอกนะเห็นมันไหวๆขึ้นมาด้วยหลวงปู่ครับจิตตั้งอยู่ที่ไหนหลวงปู่ตอบสัาไหนท้องเลยจิตไม่มีที่ตั้งมันไม่ตั้งอยู่นานหรอก มันเกิดที่ไห น, นก็ดับตรงนั้นเลยมันไม่ตั้งอยู่งนั้นหรอกนะไม่ใช่จะเอามาตั้งไว้ที่เดียวด้วเจตนาเามาตั้งไว้ที่เดียวกลายเป็นสมถะเลยเพ่งเอาไว้ดนะันั้นจริงๆถ้าเราเห็นได้ละเอียด น, นะสติสมาธิเราพอนะเราจะเห็นว่าจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับเรามาทดสอบจิตเกิดที่ตาแล้วดับดูลองดูพระพุทธรูป ลองดูสิรู้สึกไหมเราเห็นชัดอยู่แว บ, บเดียวแล้วก็จะเบือไปอา้าวดูเข้าเห็นไหมว่าเราเห็นได้ชัดแว บ, บหนึ่งแนละ้วเราต้องขยับตาใหม่แล้วก็ดูใหม่เห็นไหมจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วดับเกิดระดับอยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่จิตมีดวงเดียวหรอกเนี่ยจิตไปเกิดที่ตานะ้ก็เกิดชั่วขณะเท่านั้น ที่เราว่าเรามองเห็นอะไรได้ชัดเนี่ยความจริงมองหลายครั้งต่อกันแล้วอาศัยความจําหรือสัญญานะไปจําเราไปมองหน้าตัวเองในกระจกเราจะพบว่าเรามองเป็นจุดเล็กๆนะมองตาข้างซ้ายทีตาข้างขวาทีมองขยับไปขยับมาเลยอาศัยสัญญานะประกอบขึ้นมาจําหน้าขึ้นมาเป็นหน้ารวมๆขึ้นมาอาศัยสัญญา มันก็เลยเกิดเป็นตัวเราตัวเขานะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเกิดการสําคัญมั่นหมายขึ้นมาลําพังตาเห็นรูปไม่มีตัวมีตนอะไรหูได้ยินเสียงก็ได้ยินเป็นขณะขณะหูได้ยินเสียงหูไม่ได้ได้ยินเสียงหมาเสียงแมวเสียงคนเสียงพูดเสียงชมเสียงด่าไม่ใช่เสียงปลาเสียงมารไม่ใช่หูได้ยินเสียงเป็นเสียงสูงสูงต่ำต่ำทุ้มทุ้มแหลมแหลมอะไรก็แล้วแต่ อาศัยสัญญามาแปลเสียงแต่ละเสียงที่ต่อๆๆกันก็แปลความหมายออกมาดังน้นหูได้ยินเสียงนะก็ยินดับดับดับดับนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ที่หูกว่าจะฟังได้ประโยคนหนึ่งนะจิตเกิดดับอยู่ที่หูตั้งเยอะเนีอาศัยสัญญาจําไว้จำไว้พอสมควรแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมาประมวลผลที่ใจการประมวลผลที่ใจนี้จิตเกิดที่จิตเกิดเกิดอยู่ที่จิตใจของเราเนี่ย ไม่ได้เกิดที่ตาที่หูล้วเนี่ยถ้าเราภาวนานะสติสมาธิเราพอเราก็จะเห็นว่าจิตมันเกิดดับอยู่ทางทวารทาั้ง6เกิดที่ไหนดับที่นั้นการที่เห็นว่าจิตเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเรียกว่าสันตติขาดขาดความต่อเนื่องแล้วม่ขาดออกเป็นส่วนๆเป็นท่อนๆไป สันตติขาดตัวเราก็ไม่มีไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรเพราะมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยสันตินะมันปิดบังทําให้เราไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นว่ามีเราหายไปคิดว่ามันมีอยู่ตลอดคิดว่าจิตก็มีอยู่ดวงเดียวแล้วนะวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพอฝึกมากเข้าบรรลุพาลาาระอรหันต์แล้วจิตไม่วิ่งไปไหนจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ดวงเดียวกันนะ่ะคิดว่าจิตมีดวงเดียว อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิสันตติยังไม่ขาดยังไม่ได้เริ่มวิปั ส, สนาเลยนะงั้นถ้าเราได้ยินใครสอนเรานะว่าจิตเที่ยงนะต้องรู้นะว่ายังไม่ได้เริ่มทำวิปั ส, สนาเลยคำสอนอย่างนี้นะความทุกข์นะตัวที่ปิดบงังตัวทุกข์ไว้ก็คือตัวการเปลี่ยนอริยาบทไมตัวที่ปิดบงังความไม่เที่ยงไ้ไว้จนเรามองได้ไม่ชัดนะัก็คือตัวสันตตินี่ง สันติมันปิดบังมันเกิดดับสืบเนื่องกันเราเนื้อว่าตัวเดิมนะตัวที่ปิดบังอนัตตาเนี่ยคณะเนี่ยเราไม่เห็นใจรักนะเพราะว่ามันมีสิ่งที่มาปิดมาบังไว้นะตัวทวกุทววกข์เราไม่เห็นนะเราเปลี่ยนียาบทว่องไวเหลือเกินเราไม่เห็นอนิจจังนะเพราะว่าสภาวะธรรมนั้นเกิดดับสืบเนื่องกันรวดเร็วสติเราไม่ทันนะเราไม่เห็น ความเป็นอนัตตาตัวเราไม่มีหรอกเพราะว่าอะไรเพราะขันมันมารวมกันขึ้นมาแมันเลยมีตัวเราขึ้นมาถ้าขันมันแตกออกไปนะจะเห็นว่ามันไม่มีตัวเราอย่างที่หลวงพ่อสอนแยกธาตุแยกขันนะก็แยกออกไปรูปส่วนรูปพอรูปรูปแยกออกไปปุ๊บรู ป, ร ป, รปไม่ใช่เรานะเวทนาแยกออกไปเวทนาไม่ใช่เราสัญญาแยกไปสัญญาไม่ใช่เราสังขารวิญญาณแยกออกไปนะไม่มีเราละ ยั้นความที่มันขันห้ามารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรื อ, อยตนาหกมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ด้วยกันสัญญาณจะเข้าไปหมายว่ามีเราขึ้นมาถ้ามันแตกออกมันเป็นหมายว่าเป็นเราไม่ได้อย่างพัดนี้ใครรู้สึกว่าพัดเป็นตัวเราบ้างเห็นไหมไม่มีหรอกเพราะอะไรพัดเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าลองยกมือของมาดูเราดูมือตัวเองซิรู้สึกไหมว่ามือเป็นเรา ถ้าไม่คิดไม่เป็นหรอกถ้าไม่คิดไม่เป็นอ่ะถ้าถ้าเราค่อยๆสังเกตร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูตัวเราจะหายไปแล้วถ้าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูเนี่ยร่างกายจะไม่เป็นเราอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรที่ถูกรู้ถูกดูนะโดยความรู้สึกของเราเนี่ยจะไม่ใช่ตัวเราอย่างเห็นพัดเนี่ยพัฒนนี่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราล่ะ ร่างกายนี่ถูกรู้ถูกดูแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะดูไปปุ๊บจะเป็นร่างกายของเราเนอะมันรวมเป็นก้อนเดียวกันไ ม, ม่มีมีตัวเราขึ้นมาแต่ถ้าไอ้ก้อนนี้แตกออกไอ้ขันนี้แตกออกเป็นส่วนๆร่างกายก็ส่วนร่างกายส่วนของรูปความรู้สึกสุขทุกข์ก็ส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์จิตเป็นคนไปรู้สุขรู้ทุกข์เข้าสุขทุกข์ก็กไม่ใช่เรา ความจำได้หมายรู้จิตก็เป็นคนไปรู้มันเข้ามันก็ไม่ใช่เราสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วจิตไปรู้มันเข้ามันก็ไม่ใช่เราสิทธตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีจิตอีกตัวหนึ่งไปรู้จะรู้เลยว่าจิตที่เวียนเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ท่านเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเป็นความอย่างรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านเรียกว่าวิญญาณ น, นะเลเป็นวิญญาณขันวิญญาณนั้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ถูกรู้อีก มันกเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจอย่างเวลาเราสังเกตใจเรานะเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วกิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดดูก็ดูแว บ, บเดียวแล้วก็มาคิดคิดก็คิดหน่อยหนึ่งบางทีก็คิดยาวคิดมากกว่าดูนะคิดมากกว่าดูคิดมากกว่าฟังเพราะงั้นที่ว่าเราว่าฟังแล้วเราเข้าใจอะไรเนะี่ยความจริงคิดเราเองเกือบทั้งหมดเลย ระหว่างฟังกับคิดเนะี่ยคิดมากกว่าฟังระหว่างดูกับคิดนะก็คิดมากกว่าดูอีกดูนิดเดียวเอามาคิดตั้งยาวนะเพราะงั้นมันมีบ i a s อยู่แล้วความรู้ที่เกิดจากการคิดเอาอะไรเอานะมันมีกิเลสซ่อนอยู่นี่เราค่อยดูนะในะเห็นในะจิตที่เกิดดับไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะร่างกายก็ถูกรู้ถูกดูจิตก็ถูกรู้ถูกดู อะไรๆก็ถูกรู้ถูกดูตัวเราไม่มีและให้ผู้รู้ผู้ดูละ่ะผู้รู้ผู้ดูจิตที่มีสมาธิประกอบด้วยปัญญาเกิดโดยไม่ได้ชักชว น, นมีองค์ประกอบนะลักษณะของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นมหากรุสุจิตจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นมหากรุลุจิตมีความสุขก็ได้มีอุเบกขาก็ได้แต่จะไม่มีความทุกข์นั่นะจิตผู้รู้เนี่ย มีความสุขก็ได้มีอุเบกขาก็ได้แต่ไม่มีความทุกข์บางดวงประกอบด้วยปัญญาบางดวงรู้เฉยๆไม่ประกอบด้วยปัญญาตัวรู้บางทีก็ไปเห็นไตรลักษณ์ตัวรู้บางทีไม่เห็นไตรลักษณ์ไปเห็นสภาวะเห็นตัวรูปเห็นตัวเวทนาตัวสังขารตัวจิตอะไรเนี้ยไปรู้ตัวมันไม่เห็นว่ารูปเป็นไตรลักษณ์อันนี้จิตตัวรู้ตัวเนี้ยไม่ประกอบด้วยปัญญา บางครั้งบางคราวหรอกที่เห็นรูปนี้ตกอยู่ใต้ใจรักรูปนี้มันไม่ใช่เราเนี่ยวะรู้สึกแวบขึ้นมาไอตัวรู้ตัวนี้ประกอบด้วยปัญญาเรียกญาณสัมปยุตนะตัวรู้ตัวนี้จะมีคุณภาพเมื่อเกิดได้เองถ้าต้องหาทางทําให้เกิดมีกำลังอ่อนเป็นกุศลที่มีกาลังอ่อนเดินปัญญาได้ไม่แท้จริงนะตรงที่มันเกิดได้เองเนี่เรียกว่าอาังขาริกัง ถ้าต้องโน้มน้าวจูงใจให้เกิดเรียก ส, สังขาริกังอาสังขาริกังถึงจะมีพลั ง, นะงนเราต้องมาฝึกตัวรู้นะฝึกมีตัวรู้ขึ้นมาแล้วขันมันจะแยกตัวออกไปนะหรืออายตนะมันก็จะแยกออกไปตาก็ส่วนตาตาไม่ใช่เราหูก็ส่วนหูหูไม่ใช่เราจมูกลิ้นกายไม่ใช่เรานะใจก็ไม่ใช่เรานะ ถ้ามีตัวรู้ขึ้นมาถ้ามีตัวรู้ขึ้นมาขันห้าก็ไม่ใช่เราร่างกายก็ส่วนร่างกายส่วนของรูปความสุขทุกข์ทั้งหลายก็ส่วนของเวทนาไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตสังขารทั้งหลายความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตไม่ใช่เวทนาคือความสุขทุกข์ด้วยตัววิญญาณเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปโลกงปู่ดูลยคยสอนอยู่ประโยคนะจิตไม่ใช่จิต แต่ก็มิใช่ไม่ใช่จิตฟังแล้วโอ้ยสัมนวนโมหานสวิงสวายอย่างนั้นจริงจรงจิตไม่ใช่จิตอรอกมีแต่ว่าเป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตเพราะอะไรสภาวะนั้นมีหน้าที่รู้อารมณ์สภาวะที่รู้อารมณ์เรียกว่าจิตจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตฟังแล้วก็โอ้หลวงปู่พูดอะไรก็ไม่รู้นะต้องภาวนากันนานหนย โดยเฉพาะถ้าเข้าถึงจิตหนึ่งนะเข้าถึงจิตหนึ่งแล้วถึงจะแจ้งเต็มภูมิจิตไม่ใช่จิตมันไม่ใช่จิตอย่างที่เราเคยเห็นน่ะไม่ใช่จิตเป็นดวงดวงแบบมีขอบมีเขน็นมีจุดมีดวงมีที่ตั้งจิตนะเต็มโลกธาตุเต็มจักรวาลมันเต็มโลกธาตุเต็มจักรวาลเมืเ่อไม่มีการไปไม่มีการมามันไม่ต้องเคลื่อนไปมาจิตพวกเราเคลื่อนไปมารู้สึกไหม เดี๋ยวเคลื่อนไปทางตาเคลื่อนไปทางหูเคลื่อนไปทางใจวิ่งไปวิ่งมาทําไมมันวิ่งได้มันเล็กนิดเดียวใครมีจิตน้อยๆมั้งเียกใจน้อยเล็กนิดเดียวเล็กใจแคบนั่นแหละยิ่งเล็กมากก็แคบมากนะพวกใจกว้างมันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าถึงขีดสุดนะไม่มีขอบมีเข็นเต็มเหมือนตัวใหญ่เท่าสาราเนี้ยมันกระดุกกระดิ่งไม่ได้แล้วเต็มแล้วไม่มีการไปการมาแล้วนถ้าตัวใหญ่เต็มโลกเต็มจกักรวาล ก็เคลื่อนที่ไม่ได้แนละ้ไม่มีการเคลื่อนไหวหลวงปู่ก็สอนอีกนะบอกภายนอกมันว่างเปล่าคือไม่มีรูปรักษ์ภายในเหมือนท่อนไม้และก้อนหินคือไม่มีความเคลื่อนไหวท่านสอนลักษณะของจิตหนึ่งจิตหนึ่งยันจิตพระอรหันต์นะหลวงพ่อเคยได้ยินบางคนบอกว่าชอบคำสอนหลวงปู่ดูล ขนา น, นี้ปฏิบัติตามคำสอนหลวงปู่ดูลถามว่าปฏิบัติเรื่องอะไรปฏิบัติตามเรื่องจิตคือพุทธะเนื้อเสร็จเลยจิตคือพุทธะจิตหนึ่งอะไรนี่มันจิตพระละหันเราต้องปฏิบัติให้มันถูกเรื่องนะอันนั้นเป็นปลายทางเป็นผลของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติต้นทางของการปฏิบัตินะัถ้าจะเจริญปัญญาแล้วมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปคําสอนอ้างหลวงปู่ดูลยต้องอ้างให้ถูกที่ดนะ้วยอ้างผิดจะมั่ว กลายเป็นพยายามเรียนแบบจิตพระอรหันต์จิตพระอรหันต์ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสัอย่างเราพยายามไปทำอันนี้ขึ้นมามันเลยไม่ว่างจริงเพราะมันยังวิ่งวุ่นวายอยู่นะไปสร้างขึ้นมาไม่สว่างจริงหรอกนะยังประกอบด้วยโมหะอยู่ประกอบด้วยอวิชชาอยู่ไม่บริสุทธิ์หรอกนะอวิชชาก็ยังอยู่ซ่อนอยู่ในจิต ยังปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งว่างยังสแสวงหาอยู่สแสวงหาอะไรสะแสวงหาว่างยังมีการไปมีการมามีนิพพานเนี่ยมีเข้ามีออกงทีสอนกันนะบอกว่าบราารลุพระอรหันต์นะฝึกแล้วจิตสงบสันติอยู่ภายในนิรันดรมีภายนอกภายในไม่ใช่หรอกนะยังมีนอกมีในนะมีธรรมที่เป็นคู่อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรม ท, ที่เป็นหนึ่งไม่ใช่จิตหนึ่งหรอกเนี่ยอย่างบางทีอ้างหลวงปู่นะ ว่็ฝึกตามหลวงปู่สอนมั่วซั่วเลยไปเอาปลายทางมาเป็นต้นทางต้องฝึกต้นทางต้องมียานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเนี่ยตาเห็นรูปท่านไม่ได้ว่าตาเห็นผู้หญิงผู้ชายนะท่านสอนให้เห็นสภาวะนะคือรูปตามันมองเห็นสภาวะธรรมคือรูปจิตก็เหมือนกันจิตก็เราดูจิตไปนะเราเห็นจิตเหมือนกับตาเห็นรูปเลยตาของเราก็คือยานทัศนะเราเห็นจิต ก็เป็นนามนธรรมนะถ้าเห็นจิตมันก็ตัวเป็นตัวนามนธรรมจิตไม่ใช่จิตหรอกเป็นนามนธรรมอันหนึง่งเท่านั้นจะเกิดแล้วก็ดับไปดับไปค่อยๆฝึกไปนะให้ฝึกไปหดัดแยกธาตุแยกขันเข้านะกายส่วนกายความสุขความทุกข์ส่วนความสุขความทุกข์กนะุศลอ่ะกุศลก็แยกออกไปส่วนหนึง่งนะจิตเป็นคนรู้คนดูก็อยู่อีกส่วนหนึง่งกระทั่งตัวรู้เองก็เกิดดับ จิตผู้รู้เองก็เกิดดับจิตผู้รู้ไม่ได้เที่ยงบางคนนึกว่าจิตผู้รู้นี่แหละคือพระนิพพาน<ม>งั้นภาวนามานะเพื่อจะมามีจิตผู้รู้แล้วคิดว่าตัวผู้รู้นี่แหละคือ น, นิพพานในครูบาอาจารย์ท่านสอนนะว่าใครเห็นว่าผู้รู้เที่ยงเป็นวิชชาทิฏฐิใครเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นวิชชาทิธฐิใครเห็นว่าตัวรู้นี่เป็นนิพพานแล้วก็เข้าใจผิด ท่านบอกว่าฝากผู้รู้ไปคือพ้นไปจนไม่มีที่กําหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนๆเพราะฉะนั้นถ้ายัางจงใจไปรู้ไปดูจงใจรักษาจงใจประคองก็ตัวปลอมไม่ใช่นิพานตัวจริงมีภายนอกมีภายในนิพานตัวปลอมมีสิ่งซึ่งเป็นคู่มีข้างนอกมีข้างในมีสงบมีไม่สงบธรรมะที่เป็นคู่คู่ไม่ใช่นิพานนิพานเป็นสภาวะที่เป็นหนึ่ง ครั้งหนึ่งนะเคยมีปริภาชกผู้หญิงคนหนึ่งเที่ยวไปท้าโตวาทีไปทั่วเลยท้าไปที่ไหนนะ ก, ก็แพ้หมดเลยถือกิ่งไม้อันหนึ่งไปปักใครจะท้าโตวาทีด้วยนะให้มาถอนกิ่งไม้นี้พวกนักบวชนักปราณมาถอนแล้วมาโตทีไรแพ้หมดเลยภาษาริบุตรนะท่านให้เด็กไปถอนออกมาท่านไม่ถอนเอง เดี๋ยวจะว่าพระถอนต้นไม้ต้องระวังตัวไว้ให้เด็กไปถอนก็เลยไปโต้กันถามอะไรท่านท่านตอบได้หมดเลยนะท่านถามอันเดียวว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งตอบไม่ได้แล้วอะไรชื่อว่าหนึ่งรู้จักแต่ของที่เป็นคู่คู่สุขทุกข์ก็คู่กันดีชั่วก็คู่กันกลางวันกลางคืนก็คู่กันสงบฟุ้งซ่านก็คู่กันภายในภายนอกก็คู่กัน ถามว่าอะไรเป็นหนึ่งตอบไม่ถูกแล้วนะยอมแพ้เลยยอมแพ้แล้วก็ขอให้พระสารีบุตรเฉลยท่านบอกพุทธมนต์ชื่อว่าหนึ่งก็ถามอีกว่าช่วยบอกพุทธมนต์ให้หน่อยบอกบอกได้ต้องบวชถ้าไม่บวชบอกไม่ได้ท่านออกบวชนะตอนสุดท้ายท่านเป็นพระอราหันต์พระะลรคุณทนเกศีต้องเข้าใจจนถึงหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งก็จิตหนึ่งนะนะั่นแหละจิตก็เป็นหนึ่งทก็เป็นหนึ่ง จิตกะ ร, รนะทำนัเป็นอันเดียวกันนะจิตทรงธรรมทีจ่จริงทรรมนั่นแหละทรงธรรมเอาไว้ก็ฝึกเอานะฝึกเอาไปกินข้าวไป